ท่านให้อธิษฐานตั้งสัจจะอธิษฐานสวดกำลังจกักรพรรดิเพื่อน้อนมนำกระแสนี้ไปทั้งสามแดนโลกธาตุข้าพเจ้าทั้งหลายทั้งหมดทั้ ง, ม, งมวลขอราธนามบารมีกำลังสมเด็จองค์วชถมถมถิมจงองค์ปัจจุบันบระง ม, มหาจากักรพรรดิทุกๆุพระองค์ บารมีรวมพระปฏิเจกพระโพธิสัตว์พระธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมของปู่ดูพ่อมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรว ม, มทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิศก เ, เจ้าทั้งหลายที่สร้างขึ้นจะเป็นรูปลักษณ์พุทธธรร ม, มสังฆะก็ตามรูปลักษณ์ของปู่ดูกก่หงปู่ทวดก็ตามจักรพรรดิก็ตาม ขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกชาติข อ, อเชิญเทพหกชั้นพมยี่สิบชั้นเทพพูมทุกชั้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังสัคพัทธพ้องกันเพื่อเพิ่มกำลังพุทธ ธรรมชีวิตธรรมแมปูเจมิธรรมมังชีวิตัรรมแูเจมิสังขังชีวิตธรรมแูเจมิพุทธทางวันธามิธรรมวันธามิสังังวันธามิ ครูปชาอาจารย์กุณังวันธามิมาตาติจุกุณังวันธามิพระไายิษาคุณังวันธามินโมตัสสะพระวตุอาระหะโตพุทธัสสะ นาโม t ัสสะปาปาวะโตอะราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมทัสสะปาปาวะโตอะราหะโตสัมพุทธัสสะพุทธังสารานังกัจานิ หามังสารังคาจามิสังฆามสารังฆาจามิทูติยามอุทธรสังฆาจามิทูติยามติธรมมังสารังฆาจามิ ทูตสัสนกจจตติพุทธังสรนังกัจจาิตัมังสรนังกัจานิสังฆังสรนังกัจจานิ ปาณาติปาตาเวระมานีสิกขาปัทธรสัมมาทิยาณิอารินาทานาเวรมีสิกขาปทธรสัมมาทิยาณิอารามะาริย เวรมามนิสิขาปัตังสมัมมาทิยานิมุสาวาทาเวรมามนิสิขาปัตังสมัมมาทิยานิสุรานิรายามัจจาอมัตธานา เวรามิสิกขาปะทานสมาทิยานิอิมานิอันจักสิกขาปะทานิทิยานิอิมานิอันจะสิกขาปะทานิสมาทิยานิอิมานิอันจักสิกขาปะทานิ สีเลนะสุขสิ่ยางติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะเนฟุสิ่งยานติสัมมาวิโทธานะโมสาธ a ภะคะวะโตอะฮาสมมาสัมปทา นาโมตัสสะพะคะวะโตสมะสามบุตสสะนาโมตัสสะพะคะวะโตอะโตสมสมุสสะพุทธังอะระตนานังคร ทามังนาระคะนังการุณีนังการุณีนาโมพุทธ isatto akanti maya idhi akava นาโมพุทธ isatto akanti maya idhi a k a นาโมพุทธิศาสดาคันติมายะนาโมพุทธิศาสดาธรรมะอั Career Career Career นโยน a โมพุทธิสาสโาธรรมะอันโยนาโมพุทธิสาสโาธรรมะอันโยเยโอโตสโมหิตเต นาพุท nah ัสสเมปาปะตะมะยากมะสเกาังโทสังจักะอาปังสังสโยโทโสโมหิเตนาธรรมเมปาปะมยากมะ กาตังโทสังสัพพะอาตังวินาสังสุโยโทโสโมหิตเตนะสังฆสิปปะปะโทมายาภาามิกาตังโทสังสัพพภาปังวินาสังสุ นาโมทัสสะพะคะวะโตโตธรรมะธรมปุตตะนาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตทัสสะนาโมทัสสะพะคะวะโตอะระหะโตมุะ นะโมพุทธายะพระพุทธายะเทนะาณมานีนปบรัตสีสะหาสุธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆเยหาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชา หาภีทานังวารังกันทังเสวรสมหาเถรังอาหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิพาติโยอาหังวันธามิสัพโสภูธาธรรมะสังฆบูเจนินะโมพุทธา ราพุทธะไตรรัตนยาณมณีนพรนสีสหัสสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะลุชะธรมะลชสังฆูลชสีทางวรังันังีวะริสัหาเถรา อาหังวันทามิตุรโสอาหังวันทามิทาตโยอาหังวันทามิตัปปโสพุทธะอัมมะสังฆาอุเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยปณิยานมีนุารัสีสาหาสุตัมมา พุทโธธัมโมสังโฆยะธาอูตโมนะบูชาบูชาธัมมะบูชาสังฆะบูชาสีทานังวะรังตังสีวะริจะมาหาเสงนั้นอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทาสุโย อังวันธานิสัพสุปุถะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะราพุทธะไตรปณยาณมาหิโนปะรัตสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะ มูชามูชาธัมมะมูชาสังฆามูชาสีทานังวะรังตังศีวะริสังหาเถระอาหังวันทามิสุรโตอาหังวันทามิอาติโยอาหังวันทามิสัพพโสผูชาธัมมะสังฆามูเจนิ นาโมพุทายะพระพุทธไตรยตระยาณมาฮิโนปรัตสีสาหาสัจธรนมะพุทโธธัมโมสังโฆยะถาพุทโมนะบูชาูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีธานังวารังปันทัง สีวลีสังหาเสราอาหังวันธานีสุรโตอาหังวันธานิอาตโยอาหังวันธานีสัพสุภูตธาธรรมะสังฆภูเชนินาโมพูทหายะพระพุทธาภัยตระยานมานีนนภาฏ สีสะหาสะตุสัมมาปุถุตธรรมโมสังโฆยะถาปุโมนาปุถารูชาธรรมะปุถารังฆาปุชาศีทานังวะรังคันธังสีวะริสมหาเถรังอาหังวันทาณิสุรโตอาหังวันทาณิอาิโย อาหังวันทานิปปัสสุปุถะธรรมะสังฆูเชนินโมพุทธายะรุทธไยตะหนั่ยานีน p รัสีสะหาสุสัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโณ บูชาบูทาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังกัรธรรชีวะริจามาหาเถรังอาหังวันทานิสุรโกอาหังวันทานิทาตโยอาหังวันทานิป so. ัสโซบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธายะตนะญาณมาฮิโนปรัตสีสาหาสุตธรรมะพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพูทโมนะบูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาชีธาหนังวรังปัญฉัง สีวะริจามาหาเถระอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิธาติโยอาหงวันทานิสัพพโสพูทธธรรมะสังฆาภูเชนินาโมพุทธายะระพุทธารัตนะยานาโมพะร สีสหาสัตสัมมาปุถ an, ah ุตมโมสังโฆยะถาปุโมนะปูทาปุชาธรรมะปูชาสังฆปุชาศีทานังวะรังการังศีวะริจามหาเถรัอาหังวันทานิสุรโตอาหังวันทานิทาตโย มาวันธานิตัสโสพธะธรรมะสังฆูเชนิณามุพทธายะภพุทธะไงรยตระยานีนพรัตนศีสาัสสุตัมนาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาอูตโมนา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาสีทางวารังตันธงสีวริสมงหะเสระหานวันทานิสุรโตหานวันทานิอาติโยหานวันทานิสัโสุภูธาธรรมะสังฆูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตระหนักญาณมนีนพรัตสีหาชาตุธรรมาพูโธธรมโมสังโฆยะถาพุทนะบูชาบูชาธรรมะูชาสังฆบูชาสีธานังวะรังปันทัง สีวะริรมหาเถระอาหังวันธานิส <aunt ie> ุรโตอาหังวันธานิอาตโยอาหังวันธานิสัพพโสพุทธะธรรมะสังฆาปุญญานาโมพุทธายะพระพุทธายะธรรมญานาโมพุทธา สีสหาสะตุสังฆะพุถุทัมโมสังโฆยะถาพุโมนะปุถารูชาธรรมะูชาสังฆูชาสีทานังวรังตังสีวะริจมะหาเถระาหังวันทามิตุลโกอาหังวันทามิทาติโย นหาวันธานิสัพส s ปุทะธรรมสังฆูเชนินาโมพุทธายะพระพุทธไตรยตนะยาณมาหิมภะราสีสาหาสุตตานาพุทุโตธรรมโมสังโฆยะถาปูถุนา บูชาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาชีทานังวารังคันธ์ศีวะริจมหาเถรังอาหังวันธามิสุรโกอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพตะโสบูชาธรรมะสังฆบูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธไตรยระหนักาณนาโีนอรสีสะหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาอุตโมนาพุทธะลุทะธรรมะลุทะสังตะลุาสีธาหนังวะรังตัง สีวริสานหาเถระอาหังหวันทามิสุรโตอาหังวันทามิทารโยอาหังวันทามิสัพพโสพุทธะธรมะสังฆเสนินโมพทายะราพุทธายตนะยามาโม พ, พระพ สีสาหาสุตัมนาปุถุทมโมสังโฆยะถาปุโมนะปูชาบุชาธรรมะปุชาสังฆปุชาสีธานังวารังคันธังสีวะริสังหาเสลาอหังวันธานิสุรโตอาหังวันธานิอาติโย อาัว ah ันทานิตัปปสุปุถะธรรมะสังฆูเชนินาโมพุทธายะลาภุทถะไตรลาตะยามาหิโนปะระสีสาหาสุตัมนาพุทโธธรมโมสังโฆยะถาพุทโณ บูชาบูชาธรรมะบูชาสัมภะบูชาชีธางวารังกัรทางศิวะดิจนาหาเถระอาหังวันทาณิสุรโตอาหังวันทาณิอาติโยอาหังวันทาณิสัพพโสบูชาธรรมะสังฆูเชนี นาโมพทายะราพุทหายะตระณะยานาโมปรตีสาสะทาสสังนะโพธิธรรมโมสังโฆยะถาภูมินะโพธาบูชาธรรมะมุชาสังฆามุชาอาลังวะรังคันธัง สีวารีสมหาเหรังอาหังวันธามิธุรโตอาหังวันธามิทาตโยอาหังวันธามิสัพปะ โ, โสโหตหาธรรมะสังฆีเจนีเอาแผลกำมดไปทั้งสามแดนโลกธาตุ กำหนดไปที่บิดามารดาและโมยา่าตัางหลายผู้นี้ก็คุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันเจ้ากรรมในเวนเนีสัพเพโพธาสัพเพธรรมาสัพเพสังคาภาลปัตาปตาปเจกานังนจะยังภาลัง ฮาาหันตานันจ่าเอเจนะรักขังอาปะโสสาธิตพุทธสาธิตธรรมาสาธิตตัณฐาฮาลาปัสตาปัสเตกานันจายังาลังฮาาหันตานันจะาเอเจนะรักขัง าเจพุทธาสาเจธรรมาสาเจสังฆาอาลับปัสสาสาเจทาณเจยังกาขังตาณสาเจเจยาลับขังปันธานิสกัสโสสาเจพุทธาสาเพธรรมาสาเจสังฆา ป um ัจเจกานันจะยังพลังหาลาหนจานันจะเจเชนารับขังปัญญานิสัพพสุาเถพูตชาชาเถธรรมาชาเถสังฆาปัจเจกานันจะยังพลัง อาลานานานเอเชนารับขังปันธามิสะตภูตทางอาธิฐานิธรรมอาธิฐานิสารทงอาธิฐานิ อ่าอธิษฐานถ้าในฐานรวมกำลังจั ก, กระพัที่เราสวดทุกวันเวลาสับเทถ้าให้นึกถึงพระทรงเครื่องจะเป็นพระแก้วแดงก็ได้จะเป็นพระแก้วมรกตหรือพระชีวนาพระเมนพระที่ทรงเครื่องอมันเป็นรูปลักษณ์ของจั ก, กระพัทธิหรือพะาาระอรหัร ขอบรรมีหลวงปู่ดูท่านขอท่านรวมให้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันและอนาคตแผ่ไปใ้ใจสามแดนโลกธาตุแผ่ให้ประเทศไทยดูที่แผนที่แผ่ให้พระเจ้าเป็นดินองค์ปัจจุบันแผ่ให้ตัวเองนะสเพ พุทธาสัพเพธัมมาสัพเตสังกาภาระปัสกาปัจเจกานันจะยังวรังหารหันจานันจะเต็นเจนรักขังฟันตานิสปะโส สัพเพุทธะสัพเพธรมมาสัพเพสังฆะภาราปัสสะสัจเจกันยังภะ เร็แล้ววันวันหนึ่งเนะี่ยเรามีทั้งบุญและบาปทั้งการกระทำและความคิดท่านให้รวมบุญนะเหมือนนักธุรกิจกำลังจิตเราจะได้แข็งจะได้แก่งจะได้มีบุญเพิ่มขึ้น โดยการรวมรวมบุญกุศลที่เราสร้างมาในอดีตถึงปัจจุบันมันจะรวมวันนี้ด้วยให้รวมทุกวันตอนสวดสองทุ่มครึ่งให้รวมโดยขอกำรังรวมหลวงพ่อหนูค่ะพรมะปันโยขอท่านรวมบุญกุศลบนบรารมีที่ก็พระเจ้าทั้งหลายเคยสร้างมาตั้งแต่อดีตชาติถึงปัจจุบัน เริ่มตั้งแต่ถานสีเนฆะคมมะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาอุเบกขาและทัศนะปารเมีเพื่อนำกำลังนี้มาเป็นประโยชน์สัพเพโหทาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆา ภาราปัตจาปัจเจกานันจะยังภารังอรหันตานันจะเจเจนารักขังนิสภัสสาสัตตพุทธาสัเติธัรมาสัตติสังขา ปัตาปัจเจกานันจายังพระรามอาราหันตานันจเจเจนารักขังปัญธานิสัพเพโสสาเพพุทธาสาเพธรรมาสาเพสังฆาคารับปัตตาปัจเจกานันจายังพระราม อาหันตานาจเตเฉนารักขังทามิอ a ปะโสสาเตกุชาสาเตธัมมะสาเตสัม a ะอาระปะช a ปะเจตานาจิยังวารัง มาราหัน uhm. ัานาจเตสีนารังนิจปัสสุจเตพุทธาจเตธรรมาจเตสังฆาทาลปัสตาจเตสามัญเทยานวาน ฮาลาันนอเสนาลาังิสตาโสพุทธังอาิสาณิธรรมังอาิสามิสามังอาธิสามิ